พันธุ์ก็เลยแสดงถึงสังเวชนียสถานเนี่ยนะว่าดูก่อนอนนลสังเวชนียสถานสี่แห่งเหล่านี้เป็นที่ควรเห็นของกุลบุตรผู้มีศรัทธาสําหรับผู้ที่มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าเนี่ยนะสถานที่สี่แห่งเนี่ยน่าเห็นสังเวชนียสถานสี่แห่งเป็นไนสังเวชนียสถานเป็นที่ควรเห็นของกุลบุตรผู้มีศรัทธา ด้วยมาราลึกว่าพระตถาคตรประสูตรณที่นี้เนี่ยนะคือพระผู้บำเพ็ญบารมีสิบอุปปารมีสิบปรมัตาบารมีสิบมหาบริจักทั้งห้าพระองค์เหล่านั้นเนี่ยประสูตรณที่แห่งนี้เป็นสถานที่หมื่นโลกธาตุหวันไหวนะเป็นสถานที่ที่พิเศษที่เรียกว่าเป็นทำให้แสงสว่างอันโอฬารได้เกิดขึ้นสว่างล่วงเทวานุภาพแผ่นดินหวันไหวเนี่ยนะ เป็นสถานที่ประสู寿ของผู้ที่ประสู寿เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอันนี้อันดับที่หนึ่งสองสังเวชนียสถานเป็นที่ควรเห็นของกุลบุตรผู้มีสัพพาด้วยมาราลึกว่าพระตถ า, าคตตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณณที่นี้สถานที่นี้เป็นที่ที่พระองค์ตรัสรู้นะที่ตรัสรู้คือที่พุทธคยานะ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 พระตถาคตตรัสรู้อนุตตร ส, สัมมาสัมโพธิญาณในที่นี้พระตถาคตยังธรรมจักอันยอดยิ่งให้เป็นไปในที่นี้พระตถาคตสเสด็จดับขันธปรินิพานด้วยอนุปาทิเสสนิพานธาตุในที่นี้ก็เ ร, ริงนะบางองอาบางกลุ่มก็ไปทั้ง4แหง่งบางกลุ่มก็ไปแหง่งเดียวบางกลุ่มก็ไปสองแหง่งบางกลุ่มก็ไปสาแหง่งนะนะบางกลุ่มก็ไปสี่แหง่งนะบางกลุ่มก็ไปทุกแห่งบางกลุ่มก็ไปแห่งละสองแห่งละ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 พอกลับมาคิดถึงช้อปปิ้งคิดถึงซื้อคิดถึงขายคิดถึงอาหารคิดถึงห้องน้าคิดถึงอู้อะไรก็มารู้ก็แสดงว่าไปตรึกเรื่องพระพุทธคุณเป็นต้นน้อยมากเนี่ยนะถ้าหากว่าไปตรึกพุทธคุณมากทุกคนกลับมาก็ต้องมาพูดเรื่องพระพุทธเจ้าสิแต่ไม่กลายเป็นว่าอาหารอันโอชะก็คือเรื่องปากเรื่องท้องเรื่องห้องน้ําเรื่องที่รับที่นอนเรื่องถนนหนทางเป็นกลายไปเป็นอาทิตย์ดีกรมจัดการถนนของเขาไปแล้วเนี่ยนะ เ, นยนะเขาไม่ได้จ้างให้ไปวิจารณ์บ้านเมืองเขาซะหน่อยเนี่ยนะ กลับมาโอ้ยจางกันแรงนะนีมันก็เลยปลายเป็นว่าเออการตรึกพุทถานุสติเป็นต้นก็ลบน้อยถอยลงไปโอ้ยก่อนไปนี่ดีแล้วเกินคิดถึงแต่พระพุทธเจ้าอย่างเดียวพอไปเห็นสถานที่ปั๊บกลับมาเนี่ยน้อยมากอันนี้เป็นเพราะอะไรเขา้าอันนี้ก็ต้องมาทบทวนให้ดีนั้นใครที่อยากจะไปจริงๆอ่ะเขามาว่าไปซักซ้อมดูก่อนเอาเนี่ยที่บางเขนก็ได้เงียบๆดีพภาษีมหาธาตุที่บางเขนพื้นที่ใหญ่โตเนี่ยลองไปตรึกดูเห้อ ไปตึกว่ายังไงไปตึกอะไรก็ลองดูนั่นไปไหว้พระาธาตุดูนะั่นเงียบเลยไปเจริญว่ายังไงถ้าเราเจริญได้เท่าไหร่ไปถึงที่นั่นพอกันไนะเพราะมันก็คนคนเดียวกันเนี่ยนะมันฉลาดเท่าเดิมไปแล้วมันจะไปฉลาดยิ่งกว่าเก่ามากมายได้ยังไงเว้นไว้แต่ไปกับคนที่เขามีความรู้เขาชี้แนะบอกกล่าวเป็นต้น น, นะะแต่มันก็ไม่รู้จะเอาเวลาที่ไหนไปบอกไปกล่าวกันณนะบริเวณสถานที่แบบแหม่นิดมีงานทั้งปีอย่างนี้นะเป็นสถานที่ที่มีงานทั้งปีก็ยากที่จะได้พูดได้คุยกัน เพราะนั้นต้องพยายามหาข้อมูลเกี่ยวกับพุทธานุสติเอาไว้ให้เยอะๆเนี่ยนะนะไปแล้วจะได้ไประลึกถึงว่าเออแม้เพราะเหตุนี้พระองค์มีพระคุณเช่นนี้เช่นนี้เป็นต้นเราก็จะได้อัตตสาระที่มากไม่อย่างนั้นไปก็ไปเห็นต้นไม้เนี่ยนะไปก็ไม่เห็นมีอะไรเลยบางคนไปถึงแล้วเออไม่เห็นมีอะไรเลยนะมาตั้งไกลอย่างนั้นก็ตามอัธยาสายก็แล้วกันเนี่ยนะนะแต่ว่าพระองค์ก็บอกว่าอนนี้สงอันนี้สงของการไปสังเวชนิยสถานอันนะ ไม่ใช่ตัวสถานที่แต่ไประลึกถึงพระพุทธเจ้าที่บอกว่าอนนต์สังเวชนียสถานทั้งสี่แห่งเหล่านี้แหละที่ควรเห็นของกุลบดผู้มีศรัทธาไม่ว่าจะเป็นภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาผู้มีศรัทธานในพระธรรตไตรท่านเหล่านั้นจะมาระลึกถึงว่าพระตถาคตประสูตยในที่นี้พระตถาคตตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในที่นี้พระตถาคตประกาศอนุตตรธร ร, ธรรมจักในที่นี้ น, นะประกาศ ธ, ธรรมจักให้เป็นไปยอย่างยิ่งยวดในที่นี้ปอง n g ปรินิพานด้วยอนุปาทิเสสนิพานธาตุในที่นี้ดูก่อ น, อนอนุชนเหล่าใดเที่ยวจาริกไปยังเจดีสี่แห่งที่กล่าวไปแล้วชนเหล่านั้นมีจิตเลื่อมใสด้วยจิตใจที่เลื่อมใสอันนั้นจักทากาละทํากาล ะ, ะด้วยจิตที่เลื่อมใสว่ากั้นเถอะชนเหล่าใดที่จะตายด้วยจิตที่เลื่อมใส หมายคําว่าก่อนตายเนี่ยจิตเลื่อมใสในพระวัตถาคดชนเหล่านั้นทั้งหมดเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกจักเข้าถึงสุกติโลกสวรรค์พระพุทธเจ้าเตือนนะว่าไปด้วยความเลื่อมใสนะและก่อนตายก็ระลึกด้วยความเลื่อมใสอันนี้ไปสวรรค์แต่ถ้าหากว่าไม่มีความเลื่อมใสเลยเนี่ยนะก็บอกว่าต่อให้เกิดอยู่ข้างๆแถวนั้นก็ไม่ไปสวรรค์หรอกเนี่ยนะจตือนเช้ามาก็เห็นแล้วเห็นจดคอมเนี่ยนะเห็นอย่างนั้นทุกวันทุกวันทุกวันสี่ห้าปีก็ไม่ได้ไปสวรรค์ถามว่าเพราะอะไร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 หมายคือว่าถ้าจะไปหมายคือว่าไหนไหนก็จะตายอุบัติเหตุข้างทางก็ตั้งใจไปไหว้พระเจดีแล้วประสบอุบัติเหตุตายระหว่างทางเนี่ยนะอันนี้ก็สวรรค์อย่างเดียวว่างั้นทีนี้ท่านพระนรนก็ถามกราบเรียนถามเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติตัวกับมาตุกขามในข้อหนึ่ง้สาสองซึ่งพระนรนก็นะถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญนะนะพระนนถามว่าข้าแต่พระองค์ผููเจริญ พวกข้าพระองค์จะปฏิบัติในมาตุคามอย่างไรคำตอบแรกก็บอกไม่ดูอานอนอยจะดูแล้วกันเอาเมื่อมีการดูเนี่ยจะต้องปฏิบัติอย่างไรก็บอกไม่พูดด้วยอานอนท์เมื่อมีการพูดจะพึงปฏิบัติอย่างไรพึงตั้งสติเอาไว้อานอน์เนี่ยนะในอัตถกาถาอธิบายว่าในหน้า429เนี่ยนะคือท่านพระนน์มีความคิดว่า ราศาสดาตรัดสถานที่อยู่ซึ่งให้เกิดความสังเวชแก่เราตรัดการจาริกไปในเจดีว่ามีประโยชน์ตรัดต่อปัญหาเรื่องที่จะพึงปฏิบัติกับมาตุคามตรัดบอกการปฏิบัติออขอภอภัยในวันขออภัยในหน้าน่านะเปิดเกินไปนิดหนึ่งหน้า427นะขออภัย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 ก็บอกว่าเมื่อมีการเจรจาปราศัยกับมาตุคามมีอยู่ความคุ้นก็มีเมื่อมีความคุ้นก็จะมีช่องทางภิกษุมีจิตถูกราคา้าครอบงำก็ถึงความพินาศแห่งศีลเสร็จแล้วก็บริบูรณ์เอาอาดยัดเยียดอยู่ในอบายพระองค์ก็บอกว่าเพราะฉะนั้นอย่าพูดกันเนี่ยนะเพราะพูดกันแล้วก็เปอร์เซ็น์ที่จะไปอบายเนี่ยสูงจริ ง, รงๆเท่ากันก็เลยตรัสเป็นคาถาในอังคุตระนิกายว่า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 มันข้อสองเขาบอกว่าอย่าคุยด้วยนะข้อสาอารัปเนปันะถ้ามาตุคามถามถึงวันขอศีลถ้ามาตุคามขอฟังธรรมล่ะถ้ามาตุคามถามปัญหาธรรมะหรือกิจกรรมที่บันปะชิตจะเพึงทําแกมาตุคามนั้นอ่ะถ้าหากว่ามาตุคามถามแล้วพิสุจะไม่พูดในเวลาเห็นปานนั้นเดี๋ยวเขาจะหาว่าเป็นใบหรือเปล่าหูหนวกหรือเปล่านั่งแล้วก็ปากแข็งเพราะฉะนั้นก็พวนพูดถ้าจะพูดพูดอย่างไร